สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่8นะครับเกี่ยวข้องกับกฎแห่งความสมดุลวันนี้กฎแห่งความสมดุลในประเด็นที่8พูดถึงเรื่องของการสมดุลระหว่างคำอธิษฐานหรือการอธิษฐานกับการทำงานพี่น้องครับหลายๆครั้งในชีวิตของเรานั้นไม่สมดุลในสองเรื่องนี้คือ บางคนก็ไม่อธิษฐานแต่ทำงานเยอะรับใช้เยอะงานของพระเจ้าก็เต็มไม่ได้อธิษฐานนะครับแต่บางคนก็เข้าใจว่าอธิษฐานอย่างเดียวฉันอธิษฐานฉันมีหน้านที่อธิษฐานแต่คนอื่นไปทำพี่น้องครับเรามาดูนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อที่16นะครับตามที่ยากอบได้เขียนไว้ว่า เชิญไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าให้ท่านอบอุ่นและอิ่มเถิดพี่นะครับนี่คือตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วท่านยา ก, กอบอยากจะให้เราที่จะอวยพรเขาและในขณะเดียวกันครับต้องช่วยเขานั่นหมายความว่าความสมดุลระหว่างการอธิษฐานเผื่อการอวยพรการกล่าวคําที่ดีๆออกจากปากของเรา และจะต้องมือของเราต้องขยับด้วยมือของเราต้องทำด้วยพี่น้องเราจะเห็นในพระชนะพระเจ้าตั้งแต่พระเยซูเลยครับพระเยซูอธิษฐานมากในเวลาเดียวกันพระองค์ก็กระทำพระาชกิจของพระองค์พระองค์ไม่ได้อธิษฐานแล้วปล่อยให้สาวกไปทำหรอกครับแต่พระองค์อธิษฐานและทำให้สาวกเห็นเป็นแบบอย่างอาจารย์เปาโลก็เหมือนกันครับเมื่อท่านได้ทำงานของพระเจ้า ท่านอธิษฐานเพื่อคนของพระองค์ตามที่ต่างๆที่พระเจ้าได้เปิดโอกาสให้ท่านมีรับใช้พระองค์พี่น้องครับอาจารย์ปารโอนั้นอธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่ท่านตั้งขึ้นมาเผื่อคริสตจักรที่ท่านได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าแต่แม้ว่าท่านจะออกจากคริสตจักรแห่งนั้นไปแล้วไปยังคริสตจักรอื่นที่เมืองอื่นๆท่านก็ยังอธิษฐานเผื่อพี่น้องของท่านอยู่เสมอ เราจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนั้นอัครทูตตั้งคริสจักรของพระองค์นั้นก็ไม่มีบาวเตอรี่บาวเตอรี่แปลว่าเขตแดนไม่มีการแบ่งแยกคณะนิกายไม่มีว่าคริสจักรนู้นคริสจักรนี้เราเห็นชัดครับว่าคริสจักรนั้นถูกมองเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่สําคัญก็คือว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็คือเป็นที่รวมของผู้ที่มีความเชื่อที่ถูกต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันครับเป็นคู่ที่มีหลักข้อเชื่อ เหมือนกันนั่นคือการรวมตัวกันของคขืดจักรของพระเจ้าอาจารย์บารโรลเองต่อสู้กับคำสอนเทียมเท็จคำสอนผิดเพี้ยนมากมายในสมัยของท่านพี่น้องครับเราจะเห็นได้ชัดว่าการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วมือไม่ทำงานนั้นก็ไม่สมดุลครับถามว่าดีไหมดีครับแต่ไม่ดีสมบูรณ์ไม่มีความสมดุล ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องระวังที่เราจะบ้า ง, งานเราอยากจะทำงานโดยที่เราไม่ได้อดธิษฐานนั่นแหละครับคือสิ่งที่หลายท่านที่มีความสามารถหลายๆท่านที่มีความเรียกว่าใจร้อนอยากจะเห็นงานเสร็จเร็วๆกระโจนลงไปทำครับแต่ในที่สุดแล้วงานก็ไปได้ไม่ไกลแล้วผู้ที่ทำนั่นก็ท้อใจเพราะเราไม่ได้อดธิษฐานถามพระเจ้าก่อน ขอความเห็นจากพระเจ้าก่อนทราบน้ําระทัยของพระองค์และแผนการของพระองค์ก่อนพี่น้องครับการอธิษฐานมีความสําคัญมากครับเพราะจะผลักดันพันธกิจของพระเจ้าแต่คนที่อธิษฐานจริงจังนั้นก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานครับพี่น้องครับอธิษฐานมีความสําคัญครับเพราะจะผลักดันพันธกิจของพระเจ้าแต่คนที่อธิษฐานจริงจังก็เป็นคนที่ต้องขยันขันแข็งด้วยท่านศาสนราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้น ท่านได้ยกตัวอย่างวิลเลียมแคร์รีวิลเลียมแคร์รีนั้นอธิษฐานหน้าแผนที่โลกทุกๆวันครับยืนหน้าแผนที่โลกทุกวันเพื่ออธิษฐานเพื่อการประกาศทั่วโลกเลยในที่สุดท่านกลายเป็นมิชชันนารีท่านเองกลายเป็นมิชชันนารีครับท่านสมัครไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศอินเดียมีคริสเตียนที่ฮ่องกงคนหนึ่งครับเป็นสตรี เธออธิษฐานเพื่อการประกาศกับชาวจีนในที่สุดเธอก็ไปเป็นผู้ประกาศแบบแนวหน้าแต่ว่าที่ประเทศแอฟริกาพี่น้องครับาศาสนาาจารย์ด็อเตอร์มูดีก็มีอีกท่านหนึ่งท่านนั่งเรือไปทางไกลระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุน้ำทะเลทะลักเข้าเรือมีคนเสนอว่าให้ประชุมอธิษฐานให้รีบอธิษฐานอาจารย์มูดีท่านได้กล่าวว่าให้เราอธิษฐานและในวิเดอกัน ก็ให้เราเอาถาังตักน้ำออกจากเรือด้วยให้เราอธิษฐานแต่ในวิดีโอกันให้เราเอาถังน้ำตักน้ำออกจากเรือด้วยเราเห็นว่าเพียงแค่อธิษฐานนะครับแต่มือไม่ขยับงานไม่ทำไม่มีความภาคเพียรทํางานก็จะขาดความสมดุลพี่น้องครับความสมดุลในเรื่องนี้ก็สำคัญครับ บางคนนั้นอธิษฐานอย่างเดียวบางคนนั้นอวยพรอย่างเดียวครับแต่มือไม่เปื้อนไม่ขยับแต่บางคนก็ทํางานอย่างเดียวครับก็ไม่อธิษฐานไม่ถามพระเจ้าทั้งสองอย่างครับไม่สมดุลเรากลับมาดูครับว่าเครืจักรของเรานั้นเราอธิษฐานมากแค่ไหนครับมากน้อยแค่ไหนครับแล้วงานของเราเราได้ทํามากน้อยแค่ไหนครับ บางคร ja no. ิสจักก็น่าเห็นใจนะครับอธิษฐานก็น้อยทํางานก็น้อยบางคริสจักก็อธิษฐานมากก็ไม่ทํางานบางคริสจักนั้นก็ทํางานมากแต่ไม่ค่อยอธิษฐานนั่นคือ3ทางเลือกที่คริสจักรควรจะเป็นแต่ว่าทั้ง3ทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่ไม่ดีครับต้องทางเลือกที่4ก็คือว่าต้องอธิษฐานมากๆและก็ทํางานมากๆกครับนั่นแหละคือเป็นคริสจักร ที่จะสมดุลทางด้านอาธิษฐานทูลขอพระเจ้าวิงวอนพระองค์ในเวลาเดียวกันครับก็ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนพันธกิจของพระเจ้าของพระเจ้าช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายทุกคนที่จะเป็นกร่ด จ, จักและชีวิตที่สมดุลในการที่จะสร้างสาวกในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้าในการที่จะนาวิญญาณคนมากมายมาหาพระเจ้าในการที่จะมีกึ จ, จัก ลูกเป็นอาณาจักรของพระเจ้ามากมายต่ อ, ตอไปอเมน